สถานที่นี้เหมาเแก่การทําประโยคความเพียรไม่แต่ท่านเองแม้แต่พระอื่นก็ทําทได้ถึงอัปปนาสมาธิได้โดยง่ายเช่นกันจึงเป็นที่ซึ่งพระธุดงค์กรรมฐานนิยมไปพำนักไม่ขาดสายจนเท่าทุกวันนี้ในปาัษานี้ท่านมีกัลยาณมิตรที่ดีอยู่จำปัจจาด้วยคือท่านพระอาจารย์เทเทศระศสี ซึ่งถพระอาจารย์เทศได้เป็นหันหน้าเทศนาอบรมและให้อุบายอันมีค่าแก่หมู่เพื่อนเตือนให้ติดสุขพอใจแต่เพียงการทําจิตให้สงบแต่อย่างเดียวการเดินปัญญาเพื่อพิจารณาถอดถอนกิเลสจะต้องดําเนินควบคู่กันไปปกติจิตหลวงปู่จะรวมลงถึงถีติจิตหรืออัปปนาสมาธิสงบนิ่งอยู่เช่นนั้นเป็นวันเป็นคืน หรือถอนออกมาดูอุปจารสมาธิซึ่งเป็นภาวะตอนที่ออกรู้หรือรับแขดอยู่เสมอจิตรวมมีกำลังจริงแต่ปัญญาไม่แก่กล้าฉะนั้นณที่วัดบ้านโป่งนี้ถ้าจึงพักการรับแขก น, นอกหันมาคิดค้นดูแขกภายในด้วยกายของตนเองอยากเอาเป็นเอาตายอุบายปัญญาก็มังเกิดขึ้นพันกับสติ ที่จะห้ามห่านกิเลสให้ขาดลงไปเป็นลำดับครั้นออกพรรษาประวาตณนาแล้วท่านก็ได้ลาจากวัดป่าบ้านโปง่งด้วยความสำนึกในคุณของสถานที่แห่งนี้เป็นที่สุดตอนที่สิบหกถดงเข้าเกตพมา่าและจำพรรษาในพมา่าไม่เป็นการผิดเลยที่จะกล่าวว่าสำหรับหลวปู่แล้วป่าลึกและเขาสูงนั่นเองคือบ้านอันแสนผาสุก ข, ของท่าน เมื่อมีโอกาสถ้าจะต้องเข้าป่าเข้าเขาไปตามนิสัยได้ไปถึงใจกลางป่าเลกถึงบนดอยเขาสูงแล้วใจจึงมีความปลอดโปร่งรู้สบายอย่างบอกไม่ถูกการเที่ยวที่ดงกรรมฐานครั้งนี้ท่านจำเนตจะเลยไปใถึงพมา่าหมู่เพื่อนทราบข่าวต่างก็ทักท้วงว่าได้ยินว่าทางที่ไปนั้นมีแต่ความธุรกันดานเต็เมไปด้วยป่าดิบดงร้ายไม่มีบ้านคน มีแต่สัต์ป่าซึ่งมักจะเป็นประเทศดูร้ายอย่างเสืออย่างช้างทรารววาเหมือนกับพม่านั้นมีมนเรียกเห้เ่อไปเยี่ยมอันที่จริงคงเป็นความปรารถนาลึกๆในหัวใจที่ท่านต้องการจะไปดูบ้านเกิดแต่อดีตชาติมากกว่าสุดท้ายท่านก็ได้เพื่อนกัลยาณมิตรคู่คิดที่ออกเที่ยวจุดงกรรมาฐานไปพม่าด้วยกันคือหลงปู่พชิระบุญโย ขึ้นจิ์ท่านพระอาจารย์มันเพิ่มใกล้เกียงกันกับท่านหลวงปู่พงมต่างก็มีนิสัยอาถรรพ์เด็กเดียวใจเด็กไม่กลัวตายเช่นเดียวกับท่านเหมือนกันจึงเดินทางฝันฝากความลำบากไปถึงเขตประเทศพม่าด้วยกันได้โดยผ่านทางไม่ห้องอนไปถึงพมา่าแล้วก็แยกทางกันหลวงปูพง่พมต้องการจะเที่ยวไปดูเมืองต่างๆด้วยแต่หลวงปู่ ปรารถนาจะอยู่แต่ในป่าไม่ต้องการเข้าเมืองเลยจึงตกลงแยกกันโดยหลวงปู่คงอยู่ตามป่าเขาเพื่อโปรดชาวบ้านอย่างพวกยานพวกเกรเรียนท่านเอ็นดูชาวพม่ามากที่ส่วนใหญ่เป็นคนดีมีศีลธรรมไม่ลักขโมยไม่ชอบโกงกันทั้งมีน้ำใจศรัทธาในพระศาสนาอย่างยิ่งพวกยานพวกไยใหญ่ที่อยู่ในป่าในเขา แม้จะจนยากลําบากปราดปรามอย่างไรก็จะต้องหาอาหารมาใส่บาตอย่างเหลือเฟือท่านชมว่าพวกเขามีใจงามไม่ค่าตัดตัดชีวิตถือเป็นห้าบริสุทธิ์แม้เปรษฐก็หายากไม่มีคนเลี้ยงเพราะเขาต่างไม่ฆ่าตัดท่านละว่าท่านไปพระมาถึงสองครั้งครั้งแรกที่ไปพร้อมกับหลวงปงู่ลมอยู่ติดต่อ ก, กันสองปีโดยจำพรรษาที่สิบสี่ พุทธศักราช2481ที่บ้านยางเมืองยางแดงพันศาที่15พุทธศักราช2482จำพันศาบนดอยอิต่อซึ่งเป็นเขาอยู่บนดอยอยางแดงจากนั้นท่านก็กลับเมืองไทยวิเวกอยู่แถวเชียงใหม่3ปีจึงหวนกลับไปพม่าอีกครั้งหนึ่งเมื่อระหว่างสงครามโลก ค, ครั้งที่สองระเบิดขึ้นแล้วในปลายปี 2,485 พอปวารณาออกพรรษาท่านก็เตรียมอัฐ บ, บริษาลรอเพื่อกลับไปโปรดชาวยานชาวพม่าอีกวาระหนึ่งพรรษาที่19พุทธศักราช 2,486 จำพรรษาณนะบ้านคนดอยอยู่บนเขาในเขตพม่าพรรษาที่20พุทธศักราช 2,487 จำพรรษาที่ดอยเชียงตอง เขตไทใหญ่ภันษาที่21พุทธศักราช2488จำพรรษาที่ดอยเชียงคำแดนพวกไทใหญ่เช่นกันรวมเวลาที่ท่านเที่ยวจุดดงในพมา่าสองครั้งสองหุนนี้เป็นเวลาเกือบหกปีทาใมเทศเป็นภาษาพมา่าได้อย่างคล่องแคล่วท่านชมผู้หญิงไทใหญ่ว่ามีผิวขาวเหลืองงามทั้งรูปและงามจิตใจท่านว่าเป็นผลบุญ ของการที่เขายึดมั่นรักษาศีลไม่ด่างร้อยไม่ขาดไม่ทะลกุการอยู่โปรดพวกเขาเกือบจะไม่จำเป็นต้องพารนาคุณของศีลเพราะดูเขาจะทราบถึงรู้อนุภาคของศีลกันเป็นอย่างดีว่าศีลเป็นกำลังอย่างไม่มี ท, ที่เกลืยอศีลเป็นอาวุธอันสูงสุดศีลเป็นเครื่องประดับอันประเสริฐศีลเป็นเกราะอย่างอาัศจรรย์ ศีลเป็นคุณรวมกำลังอย่างเลิศศีลเป็นสเสด็นทางอย่างสงสุดศีลเป็นผู้นําทางอย่างประเสริฐซึ่งเป็นเครื่องขาจารไปทั่วทุกข์ทิศีลเท่านั้นเป็นเลิศในโลกนี้ส่วนผู้มีปัญญาย่อมเป็นผู้สูงสุดความชนะในหมู่มนุษย์และเทวดาย่อมมีเพราะศีลและปัญญาหลวงปู่อธิบายว่าใครอยากเกิดเป็นคนรูปนาม ผิวขาวสวยต้องพยายามรักษาสินห้าให้บริสุทธิ์ชาติหน้าจะได้เกิดเป็นคนสวยสมใจที่ประมาณนี้หลวงปู่ได้พบหญิงสาวคนหนึ่งอายุประมาณสามสิบปีนำพระขาวมาทำบุญถวายทานท่านให้ทำเป็นพระอาบหญิงคนนี้นุ่มขาวห่มขาวถือเพียงสินแปดแต่การทำสมาธิภาวนานเก่งมากพระบางองค์ ยังต้องอายเพราะห่อได้สามารถไปเที่ยวสวรรค์ตั้งแต่ยังไม่ตายนางสร้างบุญบารมีมาแต่ชาติก่อนอย่างเป็นที่และมาถึงชาตินี้ก็ได้ปฏิบัติเพิ่มเติมต่อเนื่องไปทั้งทานศีลภาวนาค่อยเกิดสมาธิและปัญญาเป็นที่สุดนับว่าเป็นคนที่เกิดมายากสุขโตและคงจะไปอย่างสุขโตเช่นกัน ตลอดเวลาทั้งหมดหปีกว่าที่อยู่ที่ประมานั้นนับเวลาเข้าปรรษาหลวงปู่ก็จะเที่ยวลุกขมูลไปเรื่อยๆจากเขาลูกนี้ไปดอยโ น, น้นและดอยโน้นจากถ้าหนึ่งต่อไปอีกถ้าหนึ่งและอีกถ้าหนึ่งที่ไหนสงบสงัดภาวนาดีก็อยู่แห่ละหกคืนบ้างเจ็ดคืนบ้างสิคืนบ้างหรือบางแห่งถ้าจัดปายามากในการภาวนาก็อาจจะอยู่ถึงเป็นเดือนเช่น ที่ถ้าผาแดงนางไงซึ่งเป็นถ้าอยู่ระหว่างบ้านหนองคันในหมู่บ้านนี้มีเพียงจิตบ่ายเท่านั้นคือจิตหลังพาเรือนแต่ชาวบ้านก็เคารพเลื่อมใสศรัทธาอยู่ปู่เป็นอย่างดีที่ถ้ำผาแดงนางไนนี้ทละวศักดิสิทธิ์มากมีเทพมีภุ ม, มะเทวดารักษามากถรื่อหว่างท่านครนั้นบำเพ็ญสมณธรรมเคยมีช้างเข้ามาในถ้ำ มาร้องแควแควอยู่ห่างจากหลุงอูเพียงสี่ห้าหวัเท่านั้นแต่เมื่อท่านแผ่เมตตาให้มันก็ยอมถอยห่างออกจากถ้าแต่โดยดีความจริงไม่แต่ที่ถ้าขาแดงนางไห้ที่เท่านั้นที่มีเทพมีภูมิมรรคเทวดารักษามากท่านว่าเกือบจะกล่าวได้ว่าในป่าในถ้าเกือบทุกถิ่นทุกสถานล้วนศักดิ์สิทธิ์ มีเทพมีปุรมะเทวดามากเช่นกันเขามักมาอารัธนาท่านขอให้แสดงธรรมโปรดพวกเขาเกือบทุกคนณที่พม่านี้เองที่มีพระอรหันต์มาแสดงธรรมะให้ท่านฟังเช่นพระภากุละพระมหากรสปะพระอนุรุทธาซึ่งจะได้แยกกล่าวโดยละเอียดต่อไปข้างหน้าและที่ไธรรำตามทางท้องเถื่อนในถิ่นไายเปร ในเขตธรรมานี้เองที่หลวงปู่ได้มีประสบการณ์รู้เห็นสิ่งลึกลับมากมายได้เผชิญภัยจากตัดป่าซึ่งถือกันเป็นเพศที่ดุร้ายเป็นภัยต่อมนุษย์เผชิญพูดผีปีศาจซึ่งหมกไหม่อยู่ตามบาปกรรมที่เขาหลงเผชิญงูพิษในถ้ำซึ่งเรื่องลือกันชื่อว่าแสนดุเป็นเจ้าถ้ำใครก็ตามไม่ว่าขารวะเถระไปพักพมนักในนั้นมันจะต้องกัด ทำอันตรายถึงชีวิตกันไปนักแล้วแต่ท่านก็ขึ้นพักบำเพ็ญสมณธรรมโดยไม่หวันเพลงคำเตือนแต่ด้วยบารมีธรรมของท่านท่านได้แผ่เมตตาจนเจ้างูนั้นยอมติโรราบยบหัวหมอบลงเหมือนจะคารวะท่านแล้วท่านกับงูผู้ถูกทรมานตัดสันดานก็อยู่ร่วมกันในถ้า น, นั้นได้ต่อไปอย่างสงบสันติปชิญเจอใหญ่ ตัวขนาดเท่าหมามาดักหน้าดักหลังพร้อมกันถึงสองตัวบ้างลาพังตัวเดียวบ้างแต่ละครั้งมาใกล้เกียงจามสี่วาก็จะถึงองค์ท่านและเชน่นกันกับเรื่องงูปิษอำนาจเมตตาธรรมที่แพ่ไปก็ทําให้เสือร้ายเหล่านั้นเชื่องลงอย่างน่าอัศจรรย์ท่นเลาว่าตอนอยู่พมา่าท่านประจุกับเสือมากที่สุดแต่ก็ผ่านพ้นเหตุการณ์นั้นๆ มาได้เสมอรวมทั้งเรื่องการที่มีผู้หญิงตายกังวลงขอถวายไห้เงินไห้ทองเพื่อขอให้พระยอมเป็นสามีสมสู่อยู่กับนางคงเป็นการยากที่ผู้เขียนผู้มีปัญญาน้อยได้ความคิดจะสามารถเขียนความพิศดารเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ได้เพราะในการดําเนินเรื่องหลายแง่หลายตอนมีการบรรยายเนื้อธรรมขั้นสูงแทรกรักเา่า กลมกลืนกันอยู่จึงใค่ขออาภัยท่านผู้อา่านโปรดกรุณาได้อ่านความโดยพิสดาลในภาคธรรมอุโคตตอนที่ผู้เขียนได้เฉลยข้อความที่พระคุณเจ้าท่านพระอาจารย์พระมหาบัวญาณสัมปันโนได้เคยเขียนพรรณนาเรื่องราวเกี่ยวกับหลวงปู่ไว้ในหนังสือประวัตท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัศเทระและหนังสือปฏิปทา ของพระธุดงกรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มัน่นภูริธัตตาเทระมาลงพิมซ้ำรวมไปด้วยด้วยความเคารพรักเทื่อทูลบูชายอย่างสูงสุดทั้งองค์ท่านเจ้าของประวัติและองค์ท่านผู้รีเรียงหลวงปู่อยู่ในพมา่าโปรดทางมนุษย์และพวกกายทิพย์อย่างเทวดาผู้ถีปีศา์จนปลายสงครามโลกครั้งที่สองญี่ปุ่นที่มาดิรองพมา่า แพรสงครามกทหารอังกฤษเข้ามารักษาการและตรวจตราพบท่านหลายครั้งแม้ชาวบ้านญาติโยมจะระแวงระวังพาท่านไปแอบซ่อนตามที่ตา่ตางๆแต่ก็เป็นอันตรายอยู่ดีเพราะท่านเป็นชนชาติต่างชาติสงครามไม่เลือกว่าเป็นพระหรือคนธรรมดาเห็นว่าเป็นคนต่างชาติเขาก็จะต้องถือเป็นศัตรูต้องทําลายและผู้ปกปิดพระสาทท่านไว้ก็จะเป็นผิดด้วย เพื่อไม่ให้เป็นภาระความยุ่งยากแก่ญาติโยมเหล่านั้นท่านจึงตกลงปรับเมืองไทยพวกญาติโยมชาพมา่านำทางมาในป่าเปลวมาส่งหรือปลูกเครื่องทางพางมาจนถึงริมแม่น้ำแล้วก็บอกลามีเด็กคนเด็กอายุติดกระขวบติดตามมาด้วยทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ต่างร้องไห้อาลัยอย่างไม่ออัยใครน้าตาไหลพลาด ท่านแผ่เมตตา่วยช้ยให้พรให้เขามีแต่ความสุขสวัสดีแล้วก็จากมาเลียวไปดูก็ยังเห็นทั้งสองคนร้องไห้ยอยู่จนสุดสายตาสำหรับช่วงการเดินทางจากพม่ามาตามผ่านรัฐในป่าเพื่อหลบหลีกทหารอังกฤษยวงตลอดถึงเรื่องอศัศจรรย์ที่ท่านประดข้าวกดน้ำอยู่กลางป่าถึงสามวันจนต้องป่ารบถึงเทวดา และได้มีเทวดามาใส่บาทซึ่งเป็นเรื่องที่อัศจรรย์เรื่องลือกันมากนี้ผู้เขียนก็ขอประทานอภัยข อ, ขอท่านผู้อ่านการุณาต่อไปอ่านความโดยละเอียดในภาพธรรมอุโคโชนทายเล่มตอนที่อัเชิญข้อความมาจากหนังสือประวัติท่านพระอาจารย์มัน่นภุริทัตเตระของพระคุณเจ้าท่านอาจารย์พระมาหาบัวญาณสัมปโนตอนที่สิบเจ็ด พระอาหารหันในสมัยพุทธกาลมาเยี่ยมท่านระหว่างท่านวิเวคอยู่ในเขตประเทศพมา่าพักดงเพนเพียนภาวนาอยู่ณถ้ำแห่งหนึ่งที่บ้านเมืองอยางแดงท่านได้ทมีดหายไปหายอยู่สามสี่วันก็ไม่พบท่านว่าก็มิใช่มตดพิเศษพิสดารอะไรนักเป็นมิดประเภทธรรมดาที่ชาวบ้านใช้ถางป่า น, นั่นเองเพราะพระกรรมาฐานจะมีของพิเศษ เลินเลออะไรท่านก็ได้อานสายมี่ถางป่าป็นพื้นนี้เองเป็นบริฐารประจำตัวสารพัดประโยชน์หันตัดผาาถางงัดแง่สินใดก็ได้มีประจำตัวนี้ท่านใช้แล้วไปอาบน้ำคิดว่าลืมทิ้งไว้บริเวณที่อาบน้ำแต่เมื่อออกไปหาดูโดยทั่วหมดบริเวณเท่านั้นทั้งที่บริเวณอาบน้าที่เนนถ้หรือแม้แต่ที่อื่นใดที่คิดว่าอาจจะลืมไว้ ก็ไม่เห็นเลยเวลาผ่านไปสามสี่วันก็ยังไม่พบทำให้ท่านออกรู้สึกรข่านใจตอนกลางคืนขณะที่ท่านกำลังนั่งเข้าสมาธิภาวนาในเวลาดึกสงัดปรากฏมีพระอาหารองค์หนึ่งเหาะมาเยี่ยมท่านทางสมาธิภาวนาท่านเหาะลอยมาทางอากาศมีรัศมีสว่างแพล่ปลาย น, าน่าเคารพน่าเูใจอย่าที่สุดหวงปู่ที่กราบด้วยความเคารพอย่างสูงสุด ทั้งปิติทั้งยินดีอย่างสุจริตนาพระหานองค์นี้พอเหาะลงมาถึงพื้นนั่งเรียบร้อยแล้วก็ถามทันทีว่ามีดของท่านหายไปแค่ไหนเมื่อท่านเรียนตอบ ร, รับคําพระหานองค์นั้นก็บอกว่าไม่ได้หายไปไหนท่านเลือที่ส่าหากนั่นไงท่านบอกความชี้มือมีดของท่านอยู่ด้านไหนไปเอาเสียสิ หลวงปู่เล่าว่าตอนเช้าท่านก็ไปดูที่พระอรหันต์ท่านชี้บอกไว้ในนิมิตซึ่งเป็นหลังก้อนหินก็เห็นมีดอยู่ตรงนั้นจริงๆประหลาดที่ว่าท่านหาอยู่หลายวันไม่เห็นและความจริงท่านก็ไม่บ่นบานอธิษฐานให้เทวดาหรือใครช่วยหาให้เลยแต่น่อาอัศจรรย์ที่พระอรหันต์ท่านกลับทราบทั้งยังมีเมตตามาช่วยบอกให้ ทำให้ท่านได้มีเกินโดยไม่คาดฝันพระอระหันต์องค์นี้ชื่อพระภากา ร, าราทัลละวาพระภากลานี้ไม่ตามมาเยี่นท่านวิเลกาดจากครั้งแรกที่มาชี้บอกเรื่องบริหารหายที่ถ้ำในพมาแล้วต่อมาก็ยังให้ความเมตตามาแสดงธรรมะโปรดท่านมาเยี่ยมท่านตลอดมาจนปัจจุบันนี้กราบเรียนถามท่านครั้งสุดท้ายในดี 2,529 นี้ท่านรับว่าพระพากละก็ยังคงมาเยี่ยมอยู่เมื่อเราเรียนว่าเชื่อว่าท่านและท่านพระพากละคงจะเคยมีความผูกพันกันท่านคงจะเคยเป็นศิษย์ของพระพากละกระมังหลวงปู่ก็อธิบายว่าต่างคนต่างเคยเกิดเป็นศิษย์ซึ่งกันและกันผู้เขียนที่ย่นแล้วกดที่ได้ที่จะนึกทราบถึง ในคุณธรรมของท่านผู้รู้อย่างสุดซึ้งผู้เป็นปราชญ์ราชบัณฑิตยอย่างแท้จริงนั้นท่านย่อมครองคุณธรรมได้กระตันยูกระตะเวทิคุณตลอดการพบชาติจะผ่านไปเช่นไรสิตและอาจารย์เยื่อมเป็นสิทธ์และอาจารย์ต่อกันอย่างไม่รู้เรืมเราเคยอ่านพบในพระไตรปิฎกอยู่เสมอว่าเมื่อท่านผู้หนึ่งผ่านพบแห่งโลกนี้ไปวยสุขได้สวรรคตสมบัิหรือ รวมมรสบัตแล้วเมื่อผู้เคยเป็นศิษย์ของท่านหรือผู้เคยเป็นอาจารย์ของท่านยังครองชีวิตอยู่ในมนุษย์โลกหากลงผิดท่านก็จะลงมาตัดเตือนหรือแนะนข้อคิดที่ถูกต้องให้หากปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติถูกปฏิบัติชอบท่านก็จะลงมาเยี่ยมอนุโมทนาสรรเสริญในศีลานุจารวัตรแสดงธรรมให้เป็นที่รื่นเริง บันเทิในทิศและระยะนี้เองที่ท่านผู้อย่างดำรงทาตขันอยู่ในโลกมนุษย์ก็อาจจะเรียนถามข้อสงสัยในธรรมะวินัยบางประการได้หลวงปู่ก็เช่นเดียวกันท่านพระภาคุละมาเยี่ยมชมเชยไละจัดรเบิดข้อวัดปฏิบัติของหลวงปู่มาโดยเฉพาะด้านพุดงขวัตที่ท่านถือเคร่งควรเป็นเนติแบบอย่าง ของผู้สื่อพระศาสนาเป็นอย่างดีท่านได้แสดงคำยืนยันประโยชน์ของธุดงควัรที่มีต่อผู้หวังผลที่สุดแห่งการปฏิบัติอย่างไพอเราอะลึกซึงและอนุโมทนาด้วยที่หลวงปู่ได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบน่าเคารพเลือกใสจนท่านต้องมาเยี่ยมถึงที่อยู่ท่นานเราวาวาระแรกที่ท่านพระภากรลมาเยี่ยมอนุโมทนา และแสดงธรรมนั้นท่านมีความติเตี่ยมในจิตออกจากสมาธิมาเดินจกรมรู้สึกตัวเบาราวกับจะหเหาะเอือนเดินอากาศลอยตามพระอรหันตากุละไปเชนั้นท่านเดินจงกรกจนสว่างโดยไม่ได้นึกเหน็ดเหนื่อยเมื่อลาแต่ประกาศใดจิตเบากายเบาจิตอ่อนกายอ่อนจิตสงบกายสงบไม่มีอารมณ์ใดมาเกาะเกี่ยว ท่านว่าปรากฏการครั้งนั้นทําให้ท่านมีความเชื่อมั่นในธรรมมากขึ้นและมีกําลังใจที่จะบำเพ็ญความเพียรให้ยิ่งขึ้นไปใครจะนึกฝันว่าจะมีพระอรหันต์ผู้ทรงคุณพิเศษเมตตามาเยี่ยมบริการหายท่านก็เมตตาบอกที่ให้ปฏิบัติทำความเพียรอยู่ท่านก็มาอนุโมทนาและไมตตาแสดงธรรมสั่สอนทละว่าท่านไม่ได้นึก เธอเหอประการใดว่าตนมีความดีความพิเศษเลิ่นเลอกระทั่งมีพระอรหันต์มาเยี่ยมแต่ท่านกลับยิ่งต้องพิจารณาไตรตรองเพียงเคียงข้อวัดปฏิบัติของท่านกับธรรมะคำสัง่งสอนที่ได้รับธรรมะระวังไม่ให้ผิดพลาดหรือเสื่อมถอยหลังเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนพยางให้มากขึ้นพิจารณาปัญญาก็ต้องพิจารณา ฟาดฟันจิเลสให้รอบรู้รู้เท่ายิ่งขึ้นสติต้องกำกับรักษาจิตยพยายามให้ชังเหนอสักขณาจิตรวมความว่ากลับยิ่งต้องระวังรักษาตัวทุกประการให้สมควรที่กลับได้มีวาสนาประสบพบเห็นสิ่งที่ไม่น่าจะเห็นได้ยินได้ฟังสิ่งที่ไม่คาดฝันว่าจะได้ยินได้ฟังระหว่างที่พำนักอยู่ในพระาชเช่นกัน ท่านได้เดินผดุงไปหาที่วิเว้พบถ้ำอีกแห่งหนึ่งซึ่งมีชายตภูมิสงัดลีลับห่างจากหมู่บ้านมากการออกบินทบาทจากถ้ำที่ป่ารดความเพียงไปหมู่บ้านนั้นต้องใช้เวลาถึงเกือบสองชั่วโมงไปกลัดก็ร่วมสีชั่วโมงกว่าจะถึงที่พักได้ฉันอาหารแต่ท่านก็พอใจที่จะอยู่บำเพ็ญความเพียงณที่นั้นได้เป็นที่สงัด สต่ปะยะแกการภาวนาบางวันเวลาหากการบำเพ็ญเพียรเป็นไปอย่างดุดดื่ดเลืกดเสงิท่านก็พักการออกบินทบายไปเป็นวันวันไปท่ละว่าขึ้นวันหนึ่งพอจิตรวมไป็มปงบลงก็ปรากฏพระมหกัะสะปเทระเจ้าเหาะลอยลงมาข้างหน้าท่านท่านว่าเป็นภาพที่งามมากที่เห็นท่านเหาะมาแต่ไกลจนกระทั่ง ใกล้เข้ามาเห็นรัศมีแผวพลายสว่างเรืองร่างของท่านก็เลื่อนลอยลงสุดพื้นแล้วก็ค่อยนั่งลงตรงหน้าท่านด้วยความสงบเยือกเย็นใบหน้าของท่านเตี่ยมล้นด้วยความเมตตาแล้วก็มีปฏิสันธา์กับหลวงปู่อย่างอ่อนโยนท่านถามถึงธาตุขันของหลวงปู่ว่าพอเป็นไปไหวไหมกับการประเทนความเพียน อย่างอุกฤษที่น่าอนุโมทนาเช่นนี้หลวงปู่ล่ว่าท่านก้มลงกราบในนิมิตภาวนาด้วยความสติดตื้นตันใจดูเหมือนว่าการปฏิบัติการภาวนาของท่านจะอยู่ในสายตาของท่านผู้รู้โดยตลอดเมื่อท่านกราบเรียนอย่างนอบน้อมผอมองแล้วพระมหารกราสปะก็อนุโมทนาในกำลังสับผากของท่านและแสดงธรรมเน้นหนัก เรื่อดกขวัตเช่นทิพระพากุละได้แสดงธรรมสั่งสอนหลวงปู่ ม, มาแล้วท่านยืนยันว่าพุะดวงขวัตนั้นเป็นหลักของพระผู้มุงมันต่อความหลุดจ้นจากทุกจริงอยู่ที่หลวงปู่ปฏิบัติดีเช่นนี้ก็น่าสรรเสริญชมเชยอยู่แล้วแต่ท่านก็ใครจะอธิบายประโยชน์เพิ่มเติมให้ส่งเสริมอุบายพระดวงให้ยิ่งขึ้นไปขอให้หลวงปู่ปฏิบัติอย่าย่อท้อ เพื่อเป็นแบบอย่างดำรงอริยมรรคอริยวัตอริยประเพณีติดต่อไปนอกจากด้านถดงขวัตท่านยังเมตตาแสดงด้านธรรมปินัยให้ฟังอย่างวิจิตพิสดารด้วยรวมทั้งปัญหาธรรมต่างๆที่หลวงปู่ติดข้องสงสัยด้วยพลวาจิตท่านดำรงอยู่ในสมาธิภาวนาเะหวางท่านพระมหากัสปะมาแสดงธรรม ได้สนทนาสั่งตอนเป็นเวลาเกือบสี่ชั่วโมงจิตจิงถอนออกมาหลังจากที่ท่านพระมหารกัสปะได้ลาจากท่านไปโดยหอกกลับในทางอากาศเช่นเดียวกับเมื่อที่เริ่มมาออกจากสมาธิแล้วหลวงปู่ก็นำธรรมะที่เพิ่งได้รับความสดตอนร้อนมาคลุ้มคำหนึ่งทั้งปิติทั้งอาลัยและโกลกันปิติเพื่อได้มีโอกาส กราบไหว้พระขีนาสวัสจ้างค์สำคัญผู้เป็นบรมครูทางทุดงแห่งพุทธการสมเด็จพระผู้มีพระภาคทรงสะลรเสริญยิ่งนักว่าท่านเป็นผู้มักน้อยสันโดษเป็นเลิศในทางทุดงอะไรทีรงนึกเจดายไม่อยากจะให้ภาพพระอรหันต์เจ้าผู้ยิ่งด้วยมหากรุณจะเลือนหายไปเลยอย่างไรก็ดี ท่านได้ภาวนาต่อไปจนสว่างมีความรู้สึกเติบริงเรื่มติจิอย่างบอกไม่ถูกทาทุกข้อที่ท่านพระมหากรสปะแสดงสัเตือนดูราวกับจะปรากฏกซ้ำขึ้นอย่างจัดชัดโดยเฉพาะข้อที่ท่านได้พยากรณนเป่งเชิญให้กันวางใจแก่หลงปูนั้นท่านว่าท่านรู้สึกดื่มดำฉับชื่นมีกันวงใจมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติ ทำความเพียรโดยไม่ล้นละเพราะมักค่วนนิพพานที่เคยรู้สึกว่าอยู่สูงลิบเหลือกำลังก่อยนั้นดูราวกับจะลอยลอกอยู่แค่เอื้อมือนี้เองนอกจากพระมหากรัสปะและพระภากลาจะไม่ตามมาเยี่ยมกล่าวสัมโมทนิยกถาเทศนาให้กำลังใจเสมอแล้วทัาละว่ายัางมีพระอรหันต์สมัยพุทธกาอีกองหนึ่งคือ พระอนุรุทธะมหาเทระเจ้าก็ได้มาปรากฏองค์เยี่ยมท่านอยู่เป็นปกติตอนที่สิบแปดกลับมาเยี่ยมแดนอีสานหลังจากที่ท่องเที่ยววิเวกอยู่ในทินแถบภาคเหนือคือแถวเชียงใหม่เชียงรายลำพูน ล, ลำปางเพชรบูรณ์ถึงสิบสี่ปีพอดีกัลยะาณมิตรของท่านคือหยวปู่ขาวอนาลโย ได้มาฉวยในท่านกลับอีสานท่านจึงตกลงใจกลับมากับหลวงปู่ขาวหลวงปู่ทั้งสองต่างองค์ต่างจากถิ่นฐานบ้านเกิดและวงต่างคณญาติมาแสวนหาที่จับปลายะบําเพ็ญเพียรภาวนาทางภาคเหนือเป็นเวลาใกล้เคียงกันและต่างองค์ต่างเน้รู้เห็นธรรมตามจำนวนอันถม อ, องค์ของท่านก็ว่าธรรม อันสมควรเป็นที่พึ่งแห่งตนได้แต่สำหรับผูุ้ชนธรรมดาอย่างเราก็คงจะแอบนึกแอบเดากันเองว่าเป็นธรรมอันสูง ข, ขั้นใดสมควรจะกลับไปเยี่ยมดินฐานบ้านเดิมและโปรโดพวกวงจากคณาญาตเจทีอีกประการหนึ่งหลวงปู่มัน่นปุริธตะมหาเถระทานาจารย์ของท่านที่ได้ร่วมหน้ากลับจากเชียงใหม่ไปก่อนหน้านั้นท่านก็กาลัง โปรดญาติโยมยืดแถบอีสานเหมือนกันจึงได้มีโอกาสไปกราบเยี่ยมท่านพระอาจารย์มันด้วยความจริงในการจะกลับอีสานครั้งนี้หลวงปูลล่ไในหลวงปู่ขาวได้ไปช ว, ปวนหลวงปู่แหวนจิติโนโด้วยนอกจากความสนิจสนมคุ้นเคยที่จะดงผ่านป่าผ่านเขาผ่านเป็นผ่านตายมาด้วยกันแล้วเฉพาะหลวงปู่ชอบและหลวงปู่แหวนต่างก็มีชาติกําเนิด เชาวจังหวัดเลยด้วยกันด้วยท่านจึงชวนให้หลวงปู่แหวนกลับไปโปรดชาวจังหวัดเลยบ้างแต่หลวงปู่แหวนก็ได้ตอบปฏิเสธหลวงปู่ทั้งสองไปท่านว่าท่านจะยังไม่กลับจะอยู่เชียงใหม่มาเพ็นภาวนาให้ถึงอรหัตผลก่อนจึงจะคิดกลับเวลานี้ยังไม่คิดอย่างไรก็ดีหากได้ผลสมปรารถนาแล้วท่านจะคิดอีกครั้งหนึ่ง ว่าควรจะไปจากเชียงใหม่หรือไม่เธอไม่กลับเลยไปก่อนเธอท่านบอกกับหลวงปู่ปรากฏว่าหลวงปู่แหวนไม่ได้กลับมาจังหวัดเลยอีกเลยจนกระทั่งท่านบรณภาพเมื่อเดือนมีนาคมพุทธศักราช2528นี้เองท่านทั้งสองไม่ได้พบกันอีกจนในเดือนมีนาคมพุทธศักราช2527 หลังจากกลับมาฉลองกุฏิที่ผาแดงเชียงใหม่ท่านจึงไปเยี่ยมหลวงปู่แหวนที่วัดดอยแม่ปังอําเภอพร้าวเป็นการพบกันครั้งแรกหลังจากที่ได้จากกันเมื่อเกือบ40ปีก่อนในขณะที่องค์หนึ่งอายุ96ปีเปรียบประดุลใบไม้ที่ใกล้จะถึงเวลาล่วงจากขั้วและอีกองค์หนึ่งอายุ83ปีเป็นอมาาัมพาตเดินไม่ได้ ตก็มีพระลูกศิษย์อุ้มพานไปตลอดเวลาแต่ท่านทั้งสองก็เป็นปู่ชนียบุคคลเป็นผู้ทรงศีลวิสุิ์เป็นผู้ทรงธรรมวิสุูตเป็นที่เคารพรักเลื่อมใสขอขคนทั้งแผ่นดินการพบกันครั้งนี้อยู่ปู่ทั้งสองก็ได้พูดคุยธรรมะสาขัญชา ก, กันอย่างรื่นเริงเป็นความหลังสมัยที่ทุดดงโชคโชนมาด้วยกันพบเสือพบช้าง พบเทพพยาดาพยาณามค า, าระวะมาทำบุญมาขอฟังถามด้วยกันหลืงปู่ชอบได้กลับไปเยี่ยมหลวงปู่แหวนอีกครั้งหนึ่งในปี2528เกื 2-3 วันก่อนท่านจะบรณะภาพเป็นการพบกันครั้งสุดท้ายจริงๆสำหรับท่านสำหรับเรื่องที่หลวงปู่แหวนบอกกะะนนนัลยาณมิตรของท่านท่านจองว่าจะยังไม่กลับอีสาน จนกว่าจะได้อาหารหัสตะบนกอนจึงจะคิดเรื่องการกลับนั้นสมควรจะเล่าแทรกไว้ด้วยว่าวันหนึ่งหลวงปู่ขาวซึ่งอยู่ที่วัดท้ำของเพชรอุดรธานีก็ปรารมให้จิตใคล้คิดฝั่งว่าท่านได้ดิบเป็นหลวงปู่แหวนใสเหมือนแก้วใสที่สุดสว่างสวัยวทั้งองค์ดวงใจของท่านก็ใสสระดุดแก้วหลวงปู่ขาวระพึงว่าท่านแหวน ได้ถัดผลแล้วล่ะหนอจากเชียงใหม่หลวงปู่ชอบและหลวงปู่ขาวก็ลงมากรุงเทพก่อนพบสมเด็จพระมหาวีระวงศ์อ้วนติสาะเทระท่านก็ถามหลวงปู่ทั้งสองว่าไปอยู่เชียงใหม่มาได้อะไรดีหลวงปู่ชอบเป็นคนพูดน้อยอยู่แล้วท่านจึงเพียงยินยิน้มปล่อยให้หลวงปู่ขาวสหายของท่านเป็นผู้ตอบแทนท่านบอกว่า ได้กธาดีได้อาจลปภ า, าพักอยู่กรุงเทพไม่กี่วันท่านก็จะรบไฟขึ้นไปอีสานผ่านนคนรราชสีมาและขอนแก่นพักที่วัดซึ่งท่านทั้งสองเคยจำปัญษาวัดป่าสาลวันนคนรราชสีมาและวัดป่าบ้านเหล่างาคอนแก่นแล้วก็เดินทางมุ่งไปที่สกลนกครด้วยได้ทราบว่าประยะนั้นท่านพระอาจารย์มั่น จำพัญษาอยู่นะวัดป่าบ้านหนองผือนาในอำเภอพนนิคมจังหวัดสกลนครมีพระเนรพระชุดงกรรมฐานจำปัญษาและห้อมล้อมรับการอบรมจากท่านอยู่ะบริเวณใกล้เคียงกับที่ท่านพำนักพักจำปัญษาอยู่เป็นจำนวนมากความตอนนี้รพระอาจารย์บุญเพงเขมาพิเ อ, อิโตซึ่งปัจจุบันเป็นเจ้าอาวาส ก็ถ้ำกองเทนแต่ขณะนั้นยังเป็นสัมมาเนน้อยตนริบัติหลวงปู่มั่นอยู่แล้วความให้ฟังว่าพอเหลือเห็นหลวงปู่ชอบและหลวงปู่ขาวก้าวเข้าไปในบริเวณลานวัดหลวงปู่มั่นก็อุทานด้วยความยินดีที่เห็นหน้าศิษย์เอกทั้งคู่ว่านั่นท่านขาวถ้าชอบมาแล้วไปไปก็รับท่านที่สุสัมมาเนน ผู้เคยรู้จักท่านทั้งสองต่างก็ดีใจแสดงความกรุณีกูุจอจะได้พบหน้าที่ชายใหญ่ท่านอาจารย์ขาวท่านอาจารย์ชอบอีกครั้งหนึ่งช่วยไกลรับเครื่องบริฐารจากท่านรีบหาน้ำท่ามาถวายส่วนที่สุดสมัมาเนรที่เพิ่งเข้ามาอยู่ในสระนักในระยะหลังไม่เคยเห็นหน้าท่านมาก่อนก็แอบเร็ยกกันว่านี่เองท่านอาจารย์ขาวนี่เอง ท่านอาจารย์ชอบเราเคยได้ยินชื่อท่านทั้งสองกันมานานแล้วพ่อแม่ครูอาจารย์เคยพูดถึงด้วยความยกย่องบ่อยๆเรื่องราวของท่านเป็นที่กล่าวขวัญกันในหมู่ครูบาอาจารย์มากมายวันนี้เรามีบุญได้เห็นองค์ท่านแล้วบางองค์ก็แอบนึกว่าเคราะ์ดีเราไมได้นึกถึงท่านใครจะนึกว่าพระรูปร่างออบสูงโปร่งบาง องนี้จะเป็นท่านอาจารย์ขาวและองค์เล็กๆดับกล้ํานั้นจะเป็นท่านอาจารย์ชอบสีที่วอนดูก ล, ล่าวคล้ามกล้ากรก็ดูขาดวินแต่ท่านเหล่านั้นก็คงนึกได้ถึงเหตุการณ์ในสมัยพุทธกาลเมื่อสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณเวรุวนารามใกล้กรุงราชเครืและได้มีภิกษุชลาองค์หนึ่งเข้าไปถวายบังคม แค่เบื้องบาทมูลของสมเด็จพระพิชิตมารที่สุจราผู้นั้นแนะมีร่างกายสูบผอมเช่นเอกครัางนึ่งห่มด้วยจีวร อ, อันเก่าคล้ำๆแต่ผิวพันว น, นกผ่องใสกริยาท่าทางสงบเย็นเมื่อถวายบังคมสมเด็จพระบรมศาสดาด้วยเป็นจางขางปดิษ์ครบสามครั้งและก็นิ่งรอคอย ฝังพระพุทธฎีกาโดยดุจดีเมื่อทรงมีพุทธบัญหารก็กราบทูลตอบอย่างสงมเสเงียมเฝ้าอยู่เจ้ระยะหนึ่งก็กราบถวายบังคมงลากลับไปบรรดาพิสุททั้งหลายซึ่งเข้ามาในจำนักสมเด็จพระโทธสพพ์ในระยะหลังไม่เคยเห็นพิสุชราแหลกหน้าผู้นี้จึงถามกันเจงแจว่าพิสุชรา ผู้มีร่างกายสูบผอมเส้นเอ็นชัดาังนุ่งห่มด้วยผ้าทีวรอันเก่าคล่ำคลานี้เป็นผู้ใดสมเด็จพระ บ, บ ร, รมครูจึงดูจึงสงเมตตาและแสดงความคุ้นเคยนักปกติสมเด็จพระ บ, บ ร, รมราศาสดาทรงวางทุกอย่างไม่ทรงแสดงกิริยาดีใจไม่ทรงแสดงกิริยาเสียใจให้ปรากฏแต่เมื่อพ่อพระเนตรเป็นพิสุทธิรา ก็มีร่างกายสุขผอมเส้นเอ็นสัพังพึ่งห่มจีวร อ, อันเก่าคร่าก็ได้เห็นสีพระพันแช่มชื่นขึ้นด้วยความยินดีพระหนึ่งวิดาได้ประสบหน้าบุตรสุดที่รักที่จากไปในแดนไกลกลับมาเยี่ยมบ้านฉะนั้นใครทราบบ้างไหมท่านเป็นใครมาจากไหนเสียงถามกันแต่ก็ไม่มีภิกษุ อ, องค์ใดตอบได้เพราะสามองค์ก็พึ่งเข้ามาสู่สำนัก สมเด็จพระบร ม, มาศาสดาในเวลาไม่นานนักสมเด็จพระบร ม, มครูทรงทราบวาราจิตของเหล่าพิสุทธิทั้งหลายจึงเสด็จมาในที่ประชุมนั้นและรับส่างว่านี่แหละเชิับพาดาของพวกเธอมหากัตตปะผู้เป็นพี่ชายใหญ่ของเธอทั้งหลายเธอออกจากป่าจากเขามหาเราแล้วทรงแต่ระเชิญวัดของพระมหากัตตปะตอไปว่าเธอ เป็นผู้พอใจในเสนาสนับปากเขาอันเงียบสงัดเธอมีความมักน้อยสันโดษใช้แต่ผ้าบางสกุลจีวรสามผืนเป็นวันไม่ชอบพระคนด้วยหมู่เธอเป็นบุตรของเราเธอเป็นที่รักของเหล่าเทวดาและมนุษย์วันนั้นเช่นกันพิ่สุดสัมม ณ, ณีนวัดป่าบ้านหนองผืนานาในก็กำเนงพันว่าเช่นเดียวกับ พระมหากัสสปะเมื่อมาเฝ้าสมเด็จจอมมุนีนาถพระ บ, บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ออกมาจากป่าจากเขาหลวงปู่เขาและลวงปู่ชอบเมื่อมากราบท่านพระอาจารย์มัน่นอง์บูรพาจารย์ของท่านก็เพิ่งออกจากป่าจากเขามาเราต่างได้ยินคํำสารเสริญยกย่องมานานแล้วว่าท่านทั้งสองบําเพ็ญเพียร จเจริญรอยตามพระมหากัสปะผู้เลิศในการสรงผุดงเราได้ยินได้ฟังมานานแล้วว่าท่านทั้งสองพอใจในเสนาสนานปากเขาเงียบสงัดท่านมีความมักน้อยฉันโดดใช้แต่ภาพบางสกุุจีวรสามผืนเป็นวันท่านไม่ชอบพระควด้วยหมูท่านผู้เป็นพี่ชายใหญ่ท่านผู้เป็นที่รักของเหล่าเทวดาและมนุษย์ ท่านมาในครั้งนี้เราคงมีโอกาสได้ฟังอะไรดีๆให้เป็ น, น, นขวัญตาขวัญใจขวัญหูของพวกเราแน่แน่นอนที่พระเนรุองค์จะนึกคาดคอยเะนั้นพราะเวลาใดที่มีพระเถระผู้ใหญ่ผู้มีภูมิธรรมขั้นสูงออกจากป่าที่พักบำเพ็ญภาวนาหรือไปทุดงณนะเมืองไกลจะมีความรู้ความเห็นจากการภาวนา มาเล่าถวายอาจารย์ของท่านเวลานั้นจะเป็นเวลาที่พระเนรทั้งหลายกระยินดีใจคอยจนใจฟังกันมากที่สุดเพราความรู้ความเห็นจากการภาวนาเหล่านั้นเป็นของจริงที่แต่ละองค์ได้ประสบพบเห็นมาและก็มักจะแปลกแตกต่างกันไปตามจริตที่ใสของแต่ละองค์ยิ่งคราวนี้หลูงปู่ทั้งสองซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับคําพยากรณ์ จากท่านพระอาจารย์มั่นมาแล้วเป็นผู้ที่ได้รับคำยกย่องสระเสริอยู่เสมอกลับจากพุทงมากราบคาระวะครูบาอาจารย์ตอบกันประดุษคู่พยาช้างกลับจากการประเวณใใจมามนนด้วยการฉนันแน่นอนหรือปู่ทั้งสองคงจะมีเรื่องที่รู้เห็นจากการภาวนาวล้วนเกี่ยวกับอริสัตยภายในบ้างเกี่ยวกับพวกเพศ ผู้อินตรมโยมอยากพญานาถภายนอกบ้านมาเล่าถวายให้ฟังอย่างมากมายคงได้ฟังกันอย่างเพ้อเจิตอตลอดรุ่งบุญเพลงเซปูเตอรท่านเจอาจารย์มั่นสั่งจัมมณนบุญเพลงแล้วกับว่าท่านขาวท่านชอบท่านชอบป่านาเราไปจัดป่าให้ท่านนะสัมมณนบุญเพลงไม่ไปจัดการสถานที่ให้ อย่างกุลิกุจอธละวาเป็นความประทับใจที่ท่านไม่ลืมเลยในใจผองโตด้วยความปลื้มปิติที่จะได้มีโอกาสปฏิบัติรับใช้ศิษย์อุ้นที่ใหญ่ผู้เป็นพระเถระผู้ใหญ่ท่านจําได้ไม่ลืมว่าท่านจัดให้หลวงปู่ขาวปูกกฎอยู่ใต้ต้นร่มต้นมาไฟส่วนหลวงปู่ชอบนั้นท่านจัดให้ไปอยู่ใต้ต้นร่มไมายห่างไปอีกทางหนึ่งคือ ผูกกดอยู่ใต้ต้นหมากเมาต่างองค์ต่างอยู่ในปา่าไม่ละคนกมูและก็เป็นอย่างที่ทัะเนนน้อยใหญ่คาดคอยกล่าวคือได้มีโอกาสฟังหลวงปู่ใหญ่ท่านพระอาจารย์มั่นได้รวบปลูกขาวหลวงปู่ชอบสนทนาธรรมะ ก, กันอย่างลึกซึ้งและรื่นเริงในธรรมอย่างไรก็ดีตามที่สายครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นประดุจพ่อแม่ของศิษย์ ท่านพระอาจารย์มั่นก็ไม่หวที่จะประา้าจิตเอกั้งคู่ที่ยเทศนากันใหญ่ก่อนโดยเริ่มว่ากลัวแต่คนอื่นจะเห็นตับไตไส้ปุงของตัวแต่ตัวเองไม่สนใจดูตับไตไส้ปุงและจิตใจของตัวว่ามันมีอะไรอยู่ภายในนั้นหมัวเพลินดูเพลินฝันเพลินคิดในเรื่องคนอื่นกลัวเขาจะมาเห็นตับไตไส้ปุงของเรา ที่ส่งออกไปภายนอกไม่สนใจคิดเข้ามาภายในนักปฏิบัติเราไม่สนใจดูกายดูใจของตัวเราเองจะหาความฉลาดรอบรู้มาจากไหนหลวงปู่ศบตาหลวงปู่ขาวแล้วก็นิ่งอยู่ด้วยความสำรวมระหว่างทางทักค้างคืนก่อนจะถึงวัดป่าบ้านหนองผืนานาในต่างองค์ต่างเข้าที่บาเพ็ญจิตภาวนาถวายเป็นพุทธบูชา ทำรรมบูชาและสังคบูชาบูชาพระคุณท่านอาจารย์มั่นอาจารย์ใหญ่ผู้สอนสั่งกรอบเกลาจิตให้เข้ามาสู่เส้นทางมัง่นถูกต้องที่เที่ยงแท้ตรงและแน่วแน่เข้าสู่ความหดุจพนหากไม่ได้ความการุณาเมตตาที่แนะอย่างถูกต้องของท่านก็คงจะขาดประโยชน์สูญประโยชน์มันควรมีควรเป็นไปอย่างน่าจะได้ พระคุณของท่านหาประมาณไม่ได้โดยปกติหลวงปู่ท่านจดพิจารณาธรรมเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาอยู่เสมอแต่คืนนั้นท่านทั้งสองตั้งใจพิจารณากายกายขัตานิสติปันฐานถาวายบูชาทพระอาจารย์มั่นเป็นพิเศษ